เมไม่มีความสงบเลยไม่สงบมีแต่ความวุ่นวายเรามักจะมองว่าโลกวุ่นวายโลกมีแต่ปัญหาแม้แต่บุคคลในโลกเนี่ย <st uttering> ก็มีปัญหาคนเนี่ยมีปัญหาคนนค น, น้นก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหามีแต่ความวุ่นวายเรามองแต่สิ่งภายนอกแต่งั้นเลยอันที่จริงเนี่ยเราคิดดูดีๆนะโลกเนี่ยเขาไม่ได้วุ่นวายหรอกโลกไม่ได้มีปัญหา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 แล้วก็ไม่อยู่อำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าคนทั้งโลกเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์บีบคั้นเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่หลายๆแล้วแต่ก่อที่เราเกิดมาก็อนที่จะเกิดมาโลกก็เป็นอย่างนี้เราตายไปเนี่ยโลกก็เป็นอย่างเงี้ <S <S <S 2> <S 2> ยก็ต้องไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แหละเป็นทุกข์บีบคั้นอยู่อย่างนี้แหละบังคับบัญชาอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเราต้องเข้าใจโลกเราต้องดูให้ดีว่าโลกผิดหรือเราผิด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 พระพุทธองค์ท่านมักจะตัดสอนสาวกไว้บ่อยๆว่านุ่นป่านุ่นโค้นไม้หนุ่นเลือนล้างว่างเปล่าเนี่ยคือท่านจะไม่ให้คลุกคลีกันให้ปลีกตัวไปไม่สรเสริญการคลุกคลีกันนำมาซึ่งปัญหาซึ่งความวุ่นวายจนบางครั้งก็คำสอนในทางพุทธศาสนาบางคนก็มีการกล่าวตูวว่าโอ้ศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้หนีโลก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 ไสดงให้เห็นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้มีลูกศิษย์ลูกหาไปฟังธรรมกันมากมายเป็นร้อยเป็นพันท่านก็ไม่ได้เป็นไหนแล้วไม่เห็นแก่ตัวด้วยแต่กลับมาเกื้อกูลโลกเพราะฉะนั้นการออกไปปฏิบัติการเปลี่ยนตัวไปเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์เพราะเราสามารถกลับมาเนี่ยมาอยู่ในโลกได้อย่างหมดปัญหาเราจะเห็นว่าจริยธรรมบางท่านเนี่ยปลีกตัวไปปฏิบัติธรรม